เรื่องทำเป็นเรื่องใหญ่ธรรมาทิปตไตยธรรมาทิปไตยทำเป็นเรื่องใหญ่โลกาทิปตไตยโลกเป็นใหญ่ธรรมาทิปตไตยทำเป็นใหญ่อะไรนะอธิปตไตยอีกอันหนึ่งอะไรนะอัตตาทิปไตยตนเป็นใหญ่การถือการถือปฏิบัติของคน อัตตาที่ปไตยตนเป็นใหญ่ตนเป็นใหญ่นี้มันถ้าคนที่เป็นธรรมก็เป็นธรรมมาธิ่ปไตยถ้าคนถ้าคนเป็นกิเลสก็ทิฏฐิมานะอธิปไตยอธิปไตยโดยทิฏฐิโดยมานะโดยอ้างโดยสําคัญโดยถือโดยมีอํานาจ ด้วยมีอย่างอื่นไปนเครื่องคำจุนหนนเป็นทรัพ์เป็นบริวารเป็นยศแต่ถ้าเป็นธรรมก็เป็นบุคคลที่ทำมาที่ปไตแต่ถ้าไม่ใช่ธรรมเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสคำว่ากิเลสเนี่ยมันจะให้โทษกับคนอื่นนะเพื่อที่จะเอาประโยชน์มาให้กับตัวเองประโยชน์พยายามแย่งชิงประโยชน์ จากคนอื่นยังลาบจากคนอื่นยังเกียดยังยศตัดหน้าตัดตาคนอื่นแสวงหาทรัพย์ก็อเอาตัดหน้าตัดตาคนอื่น ท, freedom, ทํนาอุ้งมือใหญ่ๆทามือยาว<า>ๆดึงเอาดึงเอาสาวเอาสาวเอากรอบโขยมาให้ชิ uke, บหายวายพวงเนา่าเฟะก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นสิทธิของเจ้าของไม่คํานึงว่าใครได้ใครไม่ได้ช่างมันอัตตาที่ปัตตย โลกาทิปตไตยก็ถือตามโลกชาวโลกเขามียังไงก็เป็นยังไงมันโลกาทิปตไตยแต่ถ้าชาวโลกถือธรรมมันก็เป็นธรรมาธิปตไตยแต่ถ้าชาวโลกถือกิเลสมันก็นเป็นเรื่องโลกาทิปตไตยเต็มร้อยอธิปไตยความเป็นใหญ่ธรรมะทิาาทปตะไต่ใหญ่ใหญ่โดยธรรมใหญ่เป็นธรรม ใหญ่โดยธรรมใหญ่เป็นธรรมใหญ่รวมไปถึงรับรู้รับทราบเข้าใจประพฤติปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่กะไม่เกณฑ์ให้ทุกสิ่งให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมของมันอันนี้จังธรรมทุกขังธรรมอนัตตาธรรมอันรรอนรรี้จังทุกขังอนัตาธรรม เป็นลักษณะเป็นกิิยาเป็นอาการของสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมีขึ้นในโลกคนแต่ละคนสัตว์แต่ละตัวเป็นสังขารก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งในสังขารก้อนใหญ่มันก็มีสังขารเล็กๆเข้าไปปรุงเข้าไปไปชุมเข้าไปรวมกันไปเกาะกลุ่มกันเป็นสังขารเป็นกองสังขารเป็นกองสังขารของคนเป็นกองสังขารของสัตว์ ธรรมที่ปไตยเห็นตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไม่เอากิเลสไปกะไปเกณฑ์ไปกีดไปกันไปบีบไปบังคับไปสำคัญมั่นหมายแล้วก็ยึดเอายึดเอายิดเอาสึดเอายัดเอายึอายึอายึดเอาดเอยเอายึอายึดเอายึดเอายึดเอาึเอายึดเอ า, า, ย, อ ย, า, อ ย, ายึดเอายึอเอายึดเอายึดเอาเอายเยอายเอายอึึดเยดเอยดเอยดเอยึอายึอ ต, ตัวเองนี่แหละต้องการมันเป็นอย่างนี้ต้องการมันเป็นอย่างนี้เป็นนี้เป็นงนี้นี่โลกาที่ปัจจยกับอัตตาที่ปัจจยนี่ท่านพูดถึงข้อปฏิบัติของคนในโลกนี้คนในโลกนี้ยึดถือความเป็นใหญ่สามอย่างเอาตนเป็นใหญ่เอางานนี้เราใหญ่ใครใหญ่เกิดเรามไม่ได้แต่บางอย่างนี่มันใช่อยู่แต่บางอย่างไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะบางอย่างเขาก็ใหญ่ได้เป็นได้มีได้ต้องคำนวณใช้อย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องทําอย่างงี้ต้องอยู่ในระบบอย่างงี้ต้องอยู่ในระเบียบอย่างนี้ให้ถูกใจตัวเองเรียกวอัตตาที่ปไตยโลกาที่ปไตยเออทำเนียมนี้เป็นทำเนียมโลกชาวโลกเขาทําอยู่อย่างนี้เขาเป็นอยู่อย่างงี้ผิดศิลบ้างผิดธรรมบ้างอแต่ไม่ผิดทั้งหมด เป็นธรมนรมบ้างเป็นศีลบ้างแต่ไม่เป็นทั้งหมดผิดอยู่บ้างแต่ไม่ผิดทั้งหมดนี่โลกมีอยู่ยนี้เป็นอยู่อย่างนี้ทำไปตามกติโลกถ้าไม่ทำตามคติโลกชาวโลกทั้งหลายเขาก็นินทาเขาก็ติเตียนแต่ถ้าชาวโลกทำเป็นธรรมจากการโดยธรรมโดยความเป็นธรรมมันก็เป็นธรรมปธิปไตยเดินตามหลักของของศีลของธรรมนี่เป็นธรรมปธิปไตย เพราะฉะนั้นมันแต่และอย่างแต่และอย่างมันก็คาบเกี่ยวกันจะว่าอัตตาทิปไตทั้งหมดก็ยังไม่ใช่จะว่าโลกาทิปไตทั้งหมดก็ยังไม่ใช่จะว่าธรรมาทิปไตทั้งหมดก็ยังไม่ใช่แต่จะให้สูงสุดก็คือธรรมาทิปไตเด็ดขาดโดยฝ่ายเดียวเหมือนอย่างหลักธรรมพิบูทยาทา์จารันโสเนี่ยทำให้ได้บุญทานี้ได้บาปทานี้ได้ผลเป็นทุกข์ ตัวเองก็ทุกคนอื่นก็ทุกเนีเป็นได้คนเป็นบาปทานี้ได้บุญตัวเองก็มีความสุขมีความช่ำชื่นเบิกบานคนอื่นได้รับความสุขได้รับความช่ำชื่นเบิกบานนี่ก็เป็นเป็นธรรมรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งบุญอะไรเป็นเหตุแห่งบาปแล้วเลือกทําแต่สิ่งที่เป็นบุญการประพฤติของคนในโลกนี้ก็มีอยู่อย่างนี้บางคนก็กลัวชาวโลกนินทา ก็ทําไปตามคติของโลกทำเนียมของโลกมีอยู่ยังไงทําอยู่ยังไงไม่ทําไม่ได้เดี๋ยวก็นินทานอนไม่หลับต้องทําให้ครบถ้วนแต่บางทีก็หนักไปในทางธรทำก็กลายเป็นธรรมมาทิปไตยได้แต่ธรรมมาทิปไตยเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดเดี่ยวเดียวก็ต้องเป็นธรรมมาทิปไตยมาเข้าหลักศีล ส, สมาธิปัญญาพุทธิย่ก้าวไปสุดให้ถึงที่สุดเพราะถ้าคนในโลกนี้จึงเอาทิฏฐิ สามอย่างนี่แหละมาตีกันอยู่ตีกันอยู่คิดหนักใจคิดเสียใจคิดทรมานใจอืเอเราก็ตั้งใจทำอย่างนี้อยู่แล้วทำไมต้องมีคนมาขัดเราต้องทำไมต้องต้องมีคนมาแย้งกับเราเจ้าฟาฟื้นทำไปกับทำไม่ได้ <c oughs> ก็เหมือนอย่างที่เราต่อสู้กับกอทชชออยู่เดี๋ยวนี้ เขาเอ๊ะไม่น่าจะมาขัดเราเลยนะก็ <g ül> <g ül> เรามีหน้าที่ที่จะทำนี่ใช่ไหมความไอนนพวกเราก็กว่ามันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมอ่ะมันก็ขัดกันแหละในเมื่อพูนัึงถือทำมันก็ขัดกันแล้ ว, ว, ลว <g ül> ระหว่างโลกกับอัตตาที่ปฏิปไตยมันก็ไปด้วยกันได้อัตตาที่ปฏิปไตยกับโลกมันก็ไปด้วยกันได้แต่ธรรมะที่ปฏิปไตยเนี่ยพูดถึงธรรมะชั้นสูงสุด ฉันปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลจริงๆมันก็พ้นจากอัตตาที่ปไตยโลกาที่ปไตยปฏิบัติเพื่อให้รู้จักว่าอะไรคืออัตตาที่แท้จริงไม่งั้นก็ถืออยู่อย่างนั้นแหละอย่าว่าแต่เขาแล้วพวกเราเดี๋ยวนี้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจอัตตาอนัตตามากน้อยแค่ไหนพอที่จะปล่อยปละละวางความสําคัญมั่นหมายความยึดถือเป็นตัวเป็นตนตได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของพื้นๆทำดาที่ที่เราจะพูดได้ไง่ายๆและก็ทำได้ไง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าทาไม่ได้จะ ต, ต, ต้องต้องต้องใจทำอย่างแท้จริงทำไม้สมเหตุสมผลก็ไม่เห็นผลเพราะเหตุไม่สมผลก็เกิดไม่เกิดเราไปเรียกร้องเอาอยางไง ร, ร้องไห้กันน้ำตาออกเป็นเลือดมันก็ไม่มีอะไรมา ว่าเ อ, อื้อมมือให้กับเราเพราะเราทําเหตุไม่ถึงเหมือนเราขุดบ่อยังไม่ถึงน้ําน้ําไม่ออกมาจะออกให้เราเราหมดแรงแล้ว เ, เหนื่อยแล้วมาจะออกให้เราภาวน้าเราเดินจนขาจะขาดแล้วนั่งภาวนาจนเอวจะหักแล้วเมื่อไรจะเกิดให้เราเราคิดว่าอย่างหนึ่งเราถึงแต่ไอย่างหนึ่งด้วยสติด้วยปัญญาที่แท้จริงเรายัางไม่ถึงมันก็ไม่เกิด ม, มีความเป็นจริงสัจธรรมที่แท้จริงที่จะเข้ามาที่เราจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันไม่ใช่เข้าไปได้เห็นรู้เห็นง่ายๆเวลาเขามาปรากฏตัวให้เห็นเข้าจริงๆก็ไม่ยอม ร, รับซะอีกแน네่มันเป็นอย่างนั้นน ะ, หนหะเช่นอะไรล่ะก็ยันเรานั่งภาวนาแค่เมื่อกี้หีือเท่าไหร่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆสักหน่อยอออรปวดแล้วปวดหรือเปล่า ง, งอเขา ลายเท้าหาะเขา้าบั้นเอวต้นข า, วาน ป, วนขวปวดไหลบังครปวดต้นคอปวดไหลปวดไม้เราตั้งใจทำแค่นี้เราทำไปมันกมน็มันก็มีอุปสรรคอย่างนี้แค่นี้เราก็ยังผ่านไม่ได้เราต่อสู้ไม่ได้เราผ่านไม่ได้ทั้งๆที่มันเป็นสัจสัจธรรมปรากฏให้เรา รู้เราเห็นเราทราบเออนี่เราตั้งใจปฏิบัติทำเพื่อเพื่อแสวงหาสัจจะกลับเป็นว่าเวลาสัจจะปรากฏเฉพาะหน้าไม่ยอมรับซะอีกยอมรับได้ไหมทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเวลาเรานั่งภาวนานเราทำไงเราเราถึงจะยอมรับได้เรายอมรับว่ามันเป็นสัจจะธรรมไหมหทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนี่แหละทุกขสัจทุกขสัจนี่แหละทุกขสัจ นะเราพูดไปถึงหลักของอริยาศาสตร์ทุกศาสตร์อันนี้มันเป็นผลนะไม่ใช่อยู่ลอยๆแล้วมันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นจากเหตุมันมีเหตุอันหนึ่งของมันที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรละ่ะเกิดขึ้นจากเรามานั่งมานั่งคดคดคคู่น่ะคดคงอง อ, งอเลือดลมเดินไม่สะดวกแล้วก็เจ็บแล้วก็ปวดแล้วอะไรขึ้นมาเลือดลมเดินไม่สะดวกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อมันทํางานตามระบบ ระบอบของมันมันไม่เปลี่ยนไปตามนั้นมันขัดขัดคาคามันก็เจ็บมันก็ปวดไปเรื่อยๆทั้งวันดาแต่ความเจ็บความปวดอันนี้มันเป็นมันเป็นทุกขเวทนาของกายทุกขเวทนาของกายมันก็มาจากทุกขเวทนาของใจมาจากตัวตัณหาที่เกิดขึ้นอยู่ในใจแล้วก็ใจยินดี เวลามันไม่เจ็บไม่ปวดก็ยินดีพอใจนี่ก็เป็นสุขเวทนาเวลามันเจ็บมันปวดมันทุกข์ขึ้นมาใจไม่ยอมรับใจไม่ยอมรับใจปฏิเสธใจอยากอยากอะไรล่ะอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดนี่คือตัณหามันอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดนี่แสดงว่ารับไม่ได้ไม่ยอมรับสัจจะ ไม่ยอมรับสัจธรรมอะไรบอกอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกอะไรเป็นตัวบอกไม่ให้รับก็ตัวตันหานแหละตันหาอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนก็อยู่ที่ใจย้อนไปเห็นตอนนั้นจะเห็นได้เลยย้อนไปในขณะนั้นที่มันแล็บออกมาแล็บออกมาเห็นได้เลยมันก็ซิบก็ทราบบอกให้รื้อบอกให้รื้อบอกให้รื้อปวแล้วเกินบอกให้รื้อรือคือพลิกเปลี่ยนให้มันรือบันลัง มันบอกให้ร้อบอกให้พลิกบอกให้เปลี่ยนตัวตัณหาตัวนั้นแหละมันทำให้เกิดความไม่พอใจทั้งๆ ท, ที่มันแหละเป็นต้นเหตุต้นเหตุมายึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บเราปวดผู้ที่พามาสำคัญมั่นหมายคือตัวนั้นแหละตัวความอยากความอยากก็ไม่ใช่อย่างอื่นสิ่งอื่นที่ไหนก็คือใจของเรานั่นแหละ ดูกันไปสิมันซ้นๆซอนๆสาเหตุอของมันพวกเรานั่งต่อสู้กับความโง่ของตัวเราเองทุกโลกทุกนามเราต้องนั่งต่อสู้กับความโง่ของเราเองเอาสติเ อ, อาสัมผััญญาเอาอาตตะปะความภาคความเพียรความอดความ ท, ทนทนมาขัดมาสีมาขัดมาเกลามาชํารักมาชัดมาล้างเพื่อให้ผู้รู้ของตัวเอง ให้จิตของตัวเองนเอ่เกิดความเบาบางเกิดความสว่างสวยไม่ถูกความหลงมันครอบงาเสียเสียถ่ายเดียวจนจนไม่ยอมรับแม้กระทั่งสัจจะปรากฏเฉพาะนะ่าให้ยอมรับก็ไม่ยอมรับแท้จริงตั้งใจปฏิบัติเพื่อสัจจะให้สัจจะปรากฏแต่เวลาเข้ามาปรากฏไม่ยอมรับพิจารณาดูให้ดีนะะถ้าหากเรายอมรับหมายความว่า เราค่อยๆรื้ค่อยๆฟื้นค่อยๆพิจารณาตั้งสติให้มั่นคงตั้งสัมผัจันทรให้แน่นหนา ม, มั่นคงํารองสติให้มั่นพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาเพื่อให้รู้ทั่วถึงเท่าทันตัณหาที่มันแสดงตัวออกมามายึดว่าหัวเขาเราปวดเอวเราปวดต่อพวกเราปวดต้นขาเราปวดปลาย เท้าหลังเท้าเราปวดไหลเราปวดคอเราปวดปวดระบมไปหมดตัวนั้นเราเป็นคนกระซิบกระซาว่าเราเราเราเมื่อมีเราคําว่าเราเกิดขึ้นมาที่ไรเมื่อไรแล้วสัจจะทําให้เป็นอิสระแล้วสัจจะทําถูกบังคับแล้วบังคับให้อะไรบังคับให้อยากไม่ปวดไม่อยากปวดเนี่ยแค่เนี้ย เราจะทำปรากฏเฉพาะหน้าเรายอมรับไม่ได้เราจะยอมรับได้ต่อเมื่อเราฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสอดรู้สอดเห็นอนุสัยกิเลสที่มีอยู่ภายในใจคือตัวตัณหานะภายในใจของเรานะที่มันดิ้นออกมาค่อยมาจับจองว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราที่จริงอัตตาก็คือจิตมันมาจับจองมันมายึดมันมาถือ มันสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอัตตาตัวตนมันมายึดถือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนอนัตตามันก็มาสําคัญมั่นหมายยึดถือว่าเป็นอนัตตาอนัตตาแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้พวกเราให้พวกเราฟังได้ยินได้ฟังเอาไว้เพื่อจะจะเป็นเครื่องมือไทยถอนถอดถอนก็คือตัวหมายนั่นแหละมันมาหมายเอาทั้งนั้นแหละ หมายว่าอานิจจังแต่ธรรมชาติมันจะต้องเปลี่ยนไปตามรูปมันท่านให้เราหมายว่าอานิจจังก็เพื่อไม่ให้เราแน่นอนใจกับสังขารเพราะสังขารมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งขามันทุกข์ทุกข์มันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนไปมันพลิกไปเป็นอนิจจังทั้งอนิจจังทั้งทุกขัง เป็นไปตามภาวะของหมันของสังขารสังขารมากก็าตาสังขารน้อยก็าตามสังขารที่อยู่ในตัวเราในกายเราในจิตของเราสังขารที่อยู่นอกตัวเราอยู่รอบข้างตัวเราในโลกกรธาตุทั้งหลายทั้งปวงลักษณะอาการของมันที่เขาเรียกว่ามีสามัญลักษณะเท่าเทีเทยมกันหมดอันอิจฉาทุกขังอนัตตาสังขารใดที่เกาะกลุ่มกันแล้วจะต้องมีลักษณะเหล่านี้ เพราะฉันถ้ามีสังขารทีไรเมื่อไรจะต้องจะต้องมีลักษณะทั้งสามประการนี้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังทุกขังก็คือมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันถูกประกอบถูกปรุงมาแล้วมันจะปรับตัวเไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเราดูเราดูอะไรเราดูสมมติเราดูพืชอย่างเงี้ยพืชเมล็ดอะไรล่ ะ, มะเมล็ดเจ็ดอย่างมเมล็ดมะขาม มเมล็ดอะไรอะเมล็ดกระถินเนี่ยที่เราเห็นง่ายๆเนี่ยพอมันถูกความชื้นถูกแดดถูกความชื้นถูกอะไรคือได้เวลามัน ก, ก็ค่อยๆแตกค่อยๆปรีค่อยๆปลีออกมาหลังจากนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่คงที่แหละแม้แต่มันอยู่ในมเมล็ดของมันเนี่ยมันก็รอโอกาสรอจังหวะรอเหตุปัจจัยที่เหมาะที่มันจะขยายตัวออกมาเพราะได้ความชื้นพราได้อากาศความร้อน ร้อนบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างชื้นบ้างอะไรบ้างอมันทําให้เปลือกของมันเนี่ยอ่อนอ่อนแล้วมันก็ปริมันก็แตกออกมาเนี่ยข้งขานมันดันออกมาแล้วพอมันยังไม่ได้ที่มันอยู่ในที่แห้งๆอากาศไม่ได้ความชื้นไม่อะไรไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้น่ะทิ้งไว้ทั้งปีทั้งทั้งชาติมันก็อยู่อย่างงั้นแต่พอได้ได้เหตุได้ปัจจัยปั๊บเนี่ยมันก็ออกมาแล้วพอเริ่มออกมันจะไม่อยู่มันจะ เปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อย ม, มันจะเริ่มแบ่แบออกเริ่มเริ่มเริ่มแทงเงาออกมาไอ้รากรากอ่ะรา ก, รากไอ้ตัวเง้าของมันมันจะเริ่มแทงมาแทงแทงแทงแทงมาอะไรมันก็โค้งลงดินนะโค้งลงดินแล้วก็ไปแทงดินหลังจากไปแทงดินเสร็จแล้วไอ้ยอดอ่อนของมันถึงจะเงยขึ้นเงยขึ้นอ่าเป็นยอดมันไม่อยู่กับที่นะมันไม่คงที่ จะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถ้ามันอยู่ในอุณหภูมิที่ดีอยู่ในน้ําที่ดีนีเราพูดเปรียบเทียบนะฟังซะก่อนเราพูดพ อ, อเปรียบเทียบให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสังขารง่ายๆมันก็ไปหนุ่นะลงดินลงดินลงดินเพราะได้ดินได้ครับรสชาติของดินมันเจริญได้ดูดดื่มของนอกตัวของมันน่ยตัวมันเองมันเก็บอาหารในตัวอยู่เพราะได้ช่องได้โอกาสมันปรีแตกออกมามันก็มาแทงลงดินในดินมีน้าํามีปุย๋ยมีอะไรมีไอ มีรสชาติของดินนะมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นอ้าวเจริญขึ้นมาแตกใบออนแตกยอดออนหนึ่งคู่สองคู่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่มีอยู่กับที่โตไปเรื่อยโตไปเรื่อยแต่มันก็มีอายุไขเหมือนคนเหมือนมนุษย์โตเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเดี๋ยวก็เริ่มแก่เริ่มตายไปเหมือนกันมันไม่คงที่อันนั้นคือสามัญลักษณะของสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครอง มันมีทุกขังไหมมีมันไม่อยู่ในสภาพเดิม ม, ม, มันมีอนิจจังไหมมีมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนไม้ที่เราปลูกเต็มป่านีเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมาเป็นป่าเป็นดงเต็มไปหมดไม้มันเปลี่ยนมานทั้ทงลักษณะของทุกขังของอนิจจัง ใ, ใครจะไปบีบบังคับให้มันอยู่เท่าเดิมบังคับไม่ได้อยากเปลี่ยนไปนะให้อยู่เท่าเดิมบอกไม่ได้สั่งบบไม่ได้บังคับไม่ได้ทํายังไงก็ทำไม่อยู่ มันก็ต้องเปลี่ยนไปแน่ๆถ้ามันไม่เปลี่ยนไปดีมันก็เปลี่ยนไปตายถ้ามันไม่เจริญมันก็ตายสมมุติเราไปหาเรื่องบีบบังคับมันอย่างใดอย่างหนึ่งมันเจริญไม่ได้มันก็ตายมันก็มีแค่นั้นเองคือผิดระบบระเบียบเขามันก็ตายก็เหมือนกับมนุษย์เราเราดูมนุษย์เราเราก็ดูไปที่ท้องแม่ที่ซึ่งเรายกตัวอย่างมาเรื่อยๆบ่อยๆอาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกัน ในท้องแม่มีปติสนทิวิญญาณมาจับมาจับจองนี่กลายเป็นสังขารแล้วสังขารพ่อก็เป็นสังขารมาแล้วสังขารแม่ก็เป็นสังขารมาแล้วสังขารแม่มีไข่มีอะไรพร้อมที่จะรับช่วงต่อจากมีตัวมาเพาะคือเป็นตัวเชื้อจากพ่อพอไปผสมกันปับ๊บมา หลังจากประสมกันปับไม่มีไม่มีอยู่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจากน้ำใสๆเป็นน้นําข้นๆเป็นน้ําล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจาสาขามาเรื่อยมีหัวมีแขนมีขามีลําตัวอยู่ในท้องแม่โตมาเรื่อยๆๆๆๆอาศัยดูดดื่มอาหารจากจากตัวของแม่นั่นแหละเห็นไหมสายรกสายรก ทั้งหมดนั้นคือาธาตุธาตุดินธาตุน้ำาธาตุลมาธาตุไฟที่เป็นรูปขอธาตุรูปของธรรมแต่ว่าสายเจริญมาได้วัฒนาถาวรมาได้ด้วยอํานาจกรรมที่มากับจิตคือทุกคนมีกรรมกรรมมากับจิตจิตคือปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณเจริญมาเรื่อยแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนก็ออกมาออกมาต้องได้ตัดสายรก ต้องได้ตัดท่อนำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ย ง, อ ย, งอย่าลืมว่าดูดกินเลือดเนื้อของแม่ทุกวันทุกวันทุกวั น, วนอยู่ในทอ้องอเสร็จแล้วเราว่าตัวเราตัวเราอัตาคือตัวตนของเราเราไม่ได้เอาอะไรสักนิดเลยไปเกิดในท้องแม่เลือดหยดเดียวก็ไม่มีที่จะไปเกิดในท้องแม่โตออกมาออกคลอดออกมาจนตัดสายรกออกอกจึงจะมารู้จักหายใจเอาเองบ้างแล้วก็ดูด น้ำดูดอะไรดูดน้ำนมดูดอะไรไปนี่คือคือคือถ้าไม่ใส่ให้ไปในสังขารก้อนนั้นเนี่ยมันเสื่อมไปมันสิ้นไปต้องใส่คือหิวมันบกพร่องขึ้นมาก็คือหิวบกพร่องขึ้นมาก็คือหิวสังขารนั้นต้องใส่ให้มันเพราะมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันเสื่อมไปยังไงมันสิ้นไปยังไงมันเสื่อมไปมันสิ้นไปเพราะสังขารมันทำงานน่ะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องกลมันทางาน ในขณะที่มันทํางานมันต้องสิ้นเปลืองหมดน้ําหมดน้ํามันหมดอะไรก็แล้วแต่มันจะหมด่ะหมดทานหมดเถินแล้วแล้วแต่มันจะหมดหมดได้ทั้งหมดในตัวที่เป็นพลังงานพอมันหมดปั๊บถ้าเราไม่ใส่ให้มันมันก็หมดร่างกายของเราถ้าเราไม่ใส่ให้มันมันก็มีมีชีวิตอยู่ได้เกินกําหนดมันก็ตายไม่ใส่ให้มันเกินกําหนดมันก็ตาย นี่คือสภาพอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอนิจจังกับทุกขงังทั้งอนิจจังทั้งทุกขงังกับทั้งอนัตตาอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีอนัตตาแปลว่าเราบังคับบัญชัยเป็นไปตามใจหวังเราไม่ได้จึ่นอย่างบังคับให้มันเป็นนิจจังบังคับให้มันเป็นสุขขังเนี่ยบังคับไม่ได้ใครก็อยากมีความสุขเท่านั้นบังคับให้มันสุขบังคับไม่ได้ บังคับให้มันเทียมให้มันตรงบังคับไม่ได้ด้วยเหตุที่เราบังคับไม่ได้นี่แหละไม่เป็นไปตามใจหวังของเราไม่เป็นไปตามใจหวังของเราพระองค์จึงทรงตรัสว่านี่แหละอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เราดูดิแหละมไหยคมไหมนี่เป็นนี่เป็นปรัชญาไม่เอี่ยมที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับพระองค์อมตะให้ให้ปัญจวัคคีฟัง แล้วก็เทศสอนพระองค์มาก่อนแล้วล่ะแล้วก็มาสอนให้ปัญจวัคคีฟังเป็นปรัชญาไมเอี่ยมมาเพื่อเพื่อที่จะมาต่อกอนกันกับลัทธิพราหมณ์ก็บอกว่าอัตตาอัตตาอัตมันนี่อัตมาอัตตาอัตมันยึดมั่นถือมันเหลือเกินแต่ในที่สุดก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอัตมันอัตมันพยายามปฏิบัติให้จิตได้รับความสงบพราะสงบถึงที่ สามารถเข้าไปอยู่กับพระพรหมเข้าไปรวมตัวกับปรมาจาธรมันอันนี้ก็ว่าเอาเองเข้าไปรวมตัวอยู่กับท้าวมหาพรหมพระพรหมเป็นที่รวมของปรมาตารย์มันคืออัตธรมันที่สูงสุดละเอียดสุดว่างั้นเถอะประมาตามันปรมาปรมาละเอียดสูงสุดนั่นอัตธมันของเขานะ่ยอะไรก็ไม่รู้เขาว่าเอาเองอีกว่าเอาเองอีกหลอกคนไ ม, ไม่รู้อีก เรกคนไม่เข้าใจอีกตามเดิมแต่พระพุทธเจ้าท่านมาได้ว่างงั้นท่านว่าอนัตตาบังคับไม่ได้แต่เราบังคับจิตที่มีกิเลสเราบังคับกิเลสให้มันร่วงออกจากจิตเราก็บังคับไม่ได้ถ้าหากเราไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยขอ ง, ของมันเราบังคับร่างกายให้เป็นไปตามใจหวังของเราเรายิ่งบังคับไม่ได้ลัทธิธรรมเหล่านี้จะต้องมีลักษณะอย่อย่างนี้เกิดอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ เปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วก็จะต้องดับอย่างนี้ถ้าให้เราพิจารณาเห็นให้เข้าใจเพื่อไม่ให้ยึดเพื่อไม่ให้เกาะไม่ให้จิตมันเกาะคําว่าเกา ะ, ะก็คือยึดยึดก็คือเกาะยึดมันถือมันโดยอุปาทานยึดมันถือมันโดยอุปาทานตัณหาคือความอยากเนี่ยมันคอยยึดคอยเกาะอย่าลืมว่าจิตของเราทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับผู้รู้ ตัณหาเกิดขึ้นมาพร้อมกับผู้รู้ว่าเราเราเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัณหาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่เราก็ทราบไม่ได้เมื่อเกิดเมื่อเกิดมาแล้วเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมก็ไปสแสวงหารูปธรรมพอสแสวงหารูปธรรมก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจประกอบกันเห็นรูปก็หลงเพลินในรูปยินเสียงก็หลงเพลินในเสียงในกลิน่นในรสในสัมผัสหลงเพลินในสัมผัส เราถามดูว่าเดี๋ยวนี้เราหลงเพลินอะไรบ้างอะไรเราที่เราหลงเพลินละเอียดที่สุดสูงสุดในหัวใจของเราเราหลงเพลินกับอะไรเราลองถามแล้วก็ทดสอบย้อนมาถามดูพิจารณาดูเราหลงเพลินกับอะไรทัร้งค่าย้อนมาดูไอตัวที่มันพาหลงพาเพลินนี่แลหละกิเลสเกิดมาด้วยผู้รู้ผู้รู้เกิดมาแล้ว อเกิดมาแล้วมีนามธรรมมีรูปธรรมมีตาอาไปเห็นรูปเห็นรูปนู้นเห็นรูปนี้เห็นก็เพลินไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยยึดไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยยึดไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยเพลินไปแบบไม่รู้จบหูได้ยินเสียงเสียงดีเสียงไม่ดีเพลินไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยยึดมาก็ถือว่าเพลินไม่ยึดมาปล่อยไปก็ถือว่าเพลินเพลินในรูปรูปดีก็เพลินรูปไม่ดีก็เพลินเสียงดีก็เพลินเสียงไม่ดีก็เพลิน กลินรสสัมผัสอะไรก็เช่นเดียวกันเพลินไปหมดเพลินไปแล้วก็เผลอเผลอแล้วไปเผลอแล้วก็ไปบีบไปบังคับให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองแล้วอันนั้นน่าใจอย่างนั้นอันนี้น่าใจอย่างนี้อันนั้นต้องอย่างนั้นอันนี้ต้องต้องอย่างนี้พยายามไปบีบบังคับสิ่งอยู่นอกตัวตัวของตัวเราเนี่ยให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองนี่คือความไม่รู้ความไม่เข้าใจความหลงความโง่ความหลงทั้งๆัที่ ผู้รู้ก็มีเหตุมีปัจจัยอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสที่ผู้รู้เข้าไปสัมผัสนั้นเขาก็มีเหตุมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งของเขามันไม่ใช่เหตุปัจจัยอันเดียวกันกันกบผู้รู้ที่ที่ผู้รู้มีแต่ไปบีบบังคับให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองบีบบังคับเท่าไหร่ก็ตายเปล่ามันไม่ไม่ยอมย่อมไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่พระริยาท่านทรง เห็นกิริยานี้ท่านจึงสงสัดว่านี่แหละอนัตตาอนัตตาพยายามไปกะไปเกณฑสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองเราเข้าใจง่ายๆเพื่อมาเป็นข้อปฏิบัติประจำชีวิตจิตใจของเราเพื่อเป็นการแก้ทุกข์ในปัจจุบันพยายามพิจารณาโดยจิตของตัวเองตัวจิตของตัวเองไปเกาะไปเกี่ยวข้องกับอะไรไปเกี่ยวข้องแล้วมันชอบหรือมันไม่ชอบ เวลามันชอบแล้วมันบังคับให้เป็นเป็นอะไรเวลามันไม่ชอบแล้วมันบังคับให้จิตเราเป็นอะไรเราพยายามดูดูให้เห็นดูให้ทันแต่ถ้าหากเรามีสติมีสัมผัจัญญะดีเราก็รู้เราก็ทันเพราะเราทันเราก็อยู่ในปัจจุบันมันก็ดับเพราะเราทันมันอยู่ในปัจจุบันมันก็ดับแต่ถ้าเราไม่ทันมันก็พาเรานึกเราคิดยาวยืดสร้างน้นสร้างนี้ปรุงน้นปรุงนี้จนจบ จบแล้วก็ดีมยิ้มย่องเออเราได้แล้วเรามุน่นแล้วเรานี่แล้วโดนต้มโดนหลอกทั้งเพียคือสัญญาอารมณ์ที่มันพาคาดพาดเดาพาหมายก็มาจากสิ่งที่เป็นรู ป, ประทับจากสิ่งที่เป็นนามธรรมแลหละจิตคือผู้รู้ของเรามันก็มีสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิริยาอาการเป็นเครื่องมื อ, อะ เป็นเครื่องมือเป็นอาการเป็นอาการของจิต ท, ที่เอื้อมมาเล่นกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสนีมันเอื้อ ม, มาเล่นนะเพื่อที่จะเออถ้าดีก็ดึงก็มาดูดเข้ามาถ้าไม่ดีก็ผลักออกไปนี่คือไม่ได้พิจารณาถึงสาเหตุต้นต่อที่แท้จริงตรงนี้เป็นตัวเป็นตัวที่เราจะมาขับมาเชี่ยวมาจ้องมาดูกันให้เห็นให้เป็นที่จริงจงังเด็ดขาดขึ้นมา ถ้าเรามาขับมาเขี้ยวอยู่อย่างนี้บ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าเห็นเข้าบ่อยครั้งเข้าเห็นตัณหาแสดงออกบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าเราสามารถยอมรับสัจธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราได้เหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านั่งได้เป็นคืนๆท่านเข้ามาถึงตรงนี้ท่านเข้ามาถึงตรงนี้ท่านเห็นว่าเวทนาคือสัจธว่าเวทนาเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่ง ผู้เห็นเวทนาผู้รับรู้รับสราเวทนาก็ไม่เป็นอันเดียวกันมันคนละอันเป็นคนละอันและสามารถแยกกันได้ไม่สามารถเอาทุบไปทับถมหัวใจให้หัวใจดวงนั้นต้องเดือดร้อนต้องดิ้นต้องวุ่นวายไปด้วย <c oughs> ก่อนที่เราจะมารู้มาเข้าใจตรงนี้เราจะต้องมาขับเชี่ยวไอ้ตรงนี้แหละแหละเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจทั้งภาคสมาธิทั้งภาค ทั้งภาคสมถะทั้งภาควิปัสสนาเราจะเจริญแบบนี้พิจารณาแบบนี้ได้ต่อเมื่อในขณะที่เรานั่งมันนานจนเกิดเจ็บเกิดปวดสามสิบสี่สิบห้าสิบนาที6กสิบนาทีจะ ก, กี่นาทีก็ตามมันถึงขั้นที่ว่าเลืออดเลือดทนเราจะต้องหันหันกระบอกมาสู้กันตรงนี้แหละไม่รื้อบรรลังเฉอทีเดียว คราวนี้ยอมแพ้อา้าวสู้ไปสู้ไปหมดเรียบหมดแรงหมดฤทริ์หมดเด็ดอ้าวยอมแพ้ก่อนคราวหลังอ้าวยอมแพ้อีกอ้าวคราวหลังอ้ยอมแพ้อีกต่อสู้กันหนักๆเข้ามันก็อ่อนแรงเหมือนกันเราก็ได้อิบายได้วิธีได้เรื่อยได้เรื่อยได้เรื่อยได้เรื่อยในสุดจิตของเราก็ได้หลักได้เกณฑ์เน่นหน้ำมันคงสมาธิก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีดดความรู้ความรอบรู้เท่าทันในปัจจุบัน มันก็รวดเร็วเพราะฉะนั้นสามารถมาตอกก่อนกันตรงนี้ได้พร้อมที่จะมองเห็นสัจธรรมและก็ยอมรับหลักสักจธรรมโ ด, ดยเฉพาะเวทนาเวทนามันก็ทํางานประกอบด้วยสัญญาประกอบด้วยสังขารในขณะเดียวกันในขณะที่เราจ้องมองดูพิจารณาเนี่ยประกอบด้วยวิญญาณอย่าลืมว่ารูปประธรรมกับ น, นามธรรมเขาไม่เคยทํางานทอดทิ้งกันเขาจะทํางานด้วยกันไปเรื่อยๆ สับปะสานกันไปเรื่อยๆเหมือนกับกำปั้นเราเนี่ถ้าเรากำก็เป็นกำปั้นอันเดียวพราะเวลาเราแบะออกมันก็ประกอบไปโดยนิ้วห้านิ้วเหมือนกับรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันหากว่าเป็นอาการของจิตจิตคือผู้รู้ผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นผู้รู้ที่แท้จริงธาตุรู้ที่แท้จริงที่มีอยู่กับโลกประจําอยู่กับโลก มีสิ่งเหล่านี้เป็นอาการเกาะกลุ้มกันด้วยอำนาจของความรุ่มหลงยึดไปพายึดไปพาถือไปพาสําคัญมั่นหมายไปยึดไปถือไปอยู่อย่างนี้แหละมันความสุขความทุกข์มันก็เป็นไปตามนี้ยินดีบ้างพอใจบ้างกับสุขเวทนายุ่มยิ้มเล็กเล็กน้อยน้อยก็ยอมรับไปบางทีก็ผิดข้องมองใจโดยปกติของจิตนี่เป็นสิ่งที่รวดเร็ว เมื่อมีสิ่งใดมาขัดมาข้องมาข่ามันเกิดปฏิฆะจะเรียกว่าปฏิฆะขัดใจขัดใจกระแสของใจเหมือนกระแสของใยพุ่งไปแล้วก็มันมีสิ่งมาขัดปฏิฆะจากนั้นก็ขัดคล้องละขัดใจขัดใจก็โมโหโสโสโกโรธเปรี้ยวขึ้นมาแล้วแล่ะหนักๆเข้าจนถึงกับอาฆาตจนถึงกับพยาบาทนี่คือจิตกระแสของจิต มันถือสํำคัญมั่นหมายมันอิสระเสรีมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แบบอัตตาที่ปไตยไม่ใช่ธรรมะมที่ปไตยแต่ถ้าเรามาพิจารณาจนเห็นสัตหลักของสัจธรรมนี่แหละมันจะเอาทําเป็นใหญ่แล้วนี่หลเป็นหลักของสัจจะทำที่เรียกว่าธรรมะที่ปไตยได้จิตเป็นธรรมจิตรู้เห็นโดยหลักสัจธรรมปลดปล่อยจากการยึด จากการถือด้วยสำคัญมันหมายยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยปล่อยน้อยก็ปลอยมีความสุขปล่อยมากก็ยิ่งเพิ่มความสุขอันสืบเนื่องมาจากจิตของเราถูกหลอกอยู่ร่ำไปปล่อยได้น้อยก็หมายความว่าเรารู้แล้วเราก็ปล่อยก็ปล่อยก็คือหมดยึดหมด ต้นหาอุปาทานขนาดนั้นมันก็ปล่อยไปขนาดน้ำก็ปล่อยไปขนาดน้ำมันก็ปล่อยไปมันก็เห็นไปเห็นมากเห็นนอเห็นมากๆเข้าเห็นสัมพันธ์มั่นหมายเกิดญาณถึงขั้นที่พอจะละจะปล่อยจะวางเป็นชั้นเป็นผิได้ก็ปล่อยได้สามารถปล่อยได้วางได้แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นจะต้องมาขับมาเชี่ยวกันเอาชีวิตจิตใจเอาชีวิตเอาร่างกายเข้าแลบ และเป็นเลขตายเหมือนกันไม่งั้นก็มันไม่มีผลตอบรับแค่ว่าเราทําเหตุไม่สมกับผลที่จะเกิดแต่มันก็เพิ่มมันก็สะสมของมันอยู่นั่นแหละทําทุกครั้งมันก็เพิ่มมันก็สะสมไม่ใช่ไม่ใช่ใชทําทิ้งเปล่าไม่ใช่ทําไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยทำไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมความอดความทนสะสมสติสะสมปัญญาความฉลาดความรอบรู้คนอุบายวิธี ขอให้เราสนใจตั้ง อ, อกตั้งใจแต่ถ้าขาดสิ่งเดียวนะั่นะขาดความพอใจความสนอดสนสนใจแล้วก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยถออไปเลยถอยไปเล ย, ย, เลยในสุขก็เลยไม่อยู่ในใจไม่อยู่ในความนึกความคิดที่เราจะตั้งใจจะจะตั้งใจทำไม่ตั้งใจที่จะรับผลแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเรามีพ่อเรามีแม่เรามีทรัพย์แค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว เราก็มองเห็นความสุขแบบเลื่อนลอยเป็นสุขเบญธนาในขณะเดียวกันความทุกข์ที่มันมาคอยทับถมหัวใจมีมากมายมหาศาลแต่เรามองไม่เห็นมารู้ต่อเมื่อความทุกข์เท่าไหรเหล่านั้นเด่นชัดทําไมตึงเป็นเราทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราเรื่องอะไรเรื่องวิโยกเรื่องพลาดพลากเรื่องได้เรื่องเสียอืม เรื่องทุกข์ระทมเรื่องผิดหวังสารพัดคือความทุกข์ที่มันจะพึ่งเกิดขึ้นในหัวใจความไม่ได้สมใจนี่ค็เป็นความทุกข์อันหนึง่งอยากได้อย่างนี้แต่มันได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนั้นแต่มันได้อย่างนี้อืมเราพิจารณาอย่างมันถึงจะไม่เกิดทุกข์เราก็พิจารณาไปตามเหตุตามปัจจยัยของมันพิจารณาคลี่คลายไปตามเหตุตามปัจจยัยของมันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยแม้แต่ทุกกองทุกในกายของเราในจิตของเรามันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยเหตุปัจจัยเข้ามันก็คือตัณหานั่นแหละในหัวใจของเราเนี่ยเราดูตัณหาเราก็ย้อนดูไปที่ที่ใจของเราเดี๋ยวนี้เราก็ย้อนดูไปได้ความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจความอยากของใจเราดูดิมันพานึกมันพาคิด ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั ذا, ้งมันไปด้วยความอยากมันไปด้วยความหิวมันไปด้วยความหิวกระหายไปด้วยความอยากดิ้นรนด้วยความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากดูอยากพบอยากเห็นอยากบริโภคอยากเสพอยากสมสารพัดที่มันจะพาอยาก นี่คือความอยากดูไปที่ใจของเรากิริยาจิตของเราแสดงแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปด้วยอํานาจของความอยากหรือไปด้วยอํานาจของความไม่อยากให้เราดูหรือไปด้วยอํานาจของสติของสัมปชัญญะไปด้วยอํานาจของสมาธิไปด้วยอํานาจของปัญญาพอที่จะมีเครื่องระงับยับยัง้งไม่ให้เจ้าตัวตันหานี่มันโผล่หน้ามาบ้าง อันนี้คือฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมกับฝ่ายกิเลสมันก็ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้แหละไอ้ที่เราพยายามปฏิบัติก็หเห็นตัณหาความดิ้นรนความทะยันอยากของจิตของเราก็คือเอาสติปัญญานั่นแหละไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจอันนี้เป็นธรรมะเป็นภาพธรรมะแล้วก็มันเป็นวิธีเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปชำระเข้าไปขัดเข้าไปเกล่ามีการต่อสู้กันอยู่อย่างนี้ จนกว่าจะได้ที่จนกว่าจะได้ที่ถึงจะมีผลที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่คาดไม่คิดว่าผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกิดพอเวลาเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลให้แตกต่างจากความนึกความคิดที่เราเคยคาดค า, าดเดาๆหมายๆมายได้เป็นปัญญาพื้นพื้นเป็นปัญญายานเห็นสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวง แจมแจ้งชัดเจนยอมรับเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นสามารถถอนอนุสัยตัวนั้นได้ถอนตันหาตัวนั้นได้ยังไม่ถึงขั้นถอนได้มันก็ขูดขัดดัดดัดเส้นกันอยู่นั่นแหละเอาจนอ่อนแรงเอายจนหมดแรงหมดวิธีการต่อสู้ถึงจะพลิกเรื่อง ให้เกิดความรู้แตกตาก่างอัศจรรย์ขึ้นมาได้เรากระเกณไม่ถูกว่าเราต้องทำมากเท่าไหร่ทาน้อยเท่าไหร่เอาความเป็นเป็นเกณฑ์เหมือนเขาถูไฟถูไม้ไผ่ให้เกิดไฟเอาเอาเปลวไฟเกิดขึ้นเป็นเกณฑ์จะถูมากน้อยเท่าไหร่นานเท่าไหร่ถ้าไฟยังไม่ติดไฟยังไม่เกิดก็คือไม่เกิดไม่ติดไปถูสองสามชิ้ถูอย่างถูกวิธีถูหนักถูพร้อม พร้อมที่จะเกิดมันก็เกิดได้เลยกระบวนการคนที่สะสมมานา น, นานๆการสะสมมานานๆก็คือการฝึกวิธีการสีไฟมาจนช่ำชองแล้ ว, ลวพะพอเวลาเขามาตั้งใจทํานี่เราเคยถูอย่างนี้เราถูติดตั้งอยู่อย่างนี้มีอันนี้อยู่ยนี้มีอันนี้ถูอย่างนี้กดหนักๆขนาดนี้ถูชิ๊บเขาก็ได้ล่ะแต่สำหรับเรายังไม่เปลี่ยนเราก็ต้องศึกษาอบรมไป ฝึกฝนอบลมไปขาดกลารจริตนิสัยสันดานไปหากจิตนิสัยเลึกตื้นไม่เท่ากันเรารู้ไม่ได้ว่าใครบา ร, รมีมากกว่ากันน้อยกว่ากันรู้แต่ว่าเรามีเรามีามบุญเราได้มาประสบพบเห็นมารู้มาเห็นมามารู้มาเห็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติมีวัดวามีครูบาอาจารย์มีที่ประพฤติมีที่ปฏิบัติ มีข้อวัดที่เ อ, อื้อเอื้ออำนวยให้เราทํางานนี้อ응ืแล้วถ้าเราย้อนมาดูเราให้ความสำคัญกับงานนี้มากน้อยเท่าไหร่แค่แค่ไหน응อตั้งแต่ระบบทมาเราไม่เคยให้ความสําคัญเลยแล้วก็ดูผลราได้ที่มันจะพึงมีทุกอย่างไม่เกิดขึ้นลอยลอยมันเกิดขึ้นยังมีเหตุมีปัจจัยเขามันอย่าไปหวังว่าศพเหมาะบังเอิญ ที่เราได้ไม่มีแล้วศพล่องไม่มีอมันมีเหตุมีปัจจัยไปจักยิ่งการปร ะ, ปร ะ, ปร ะ, ประพฤติ ธ, ธรรมปรฏิบัติธรรมต้องมองเห็นตั้งเหตุเวลาผลเกิดขึ้นก็ดูแต่ผลก็ย้อนมาหาเหตุเออใช่เราเดินมาถูกเวลาเดินเหตุไปก็เดินไปเดินเดินไปเรื่อยๆจนผลปรากฏมันสามารถรู้เหตุรู้ผลได้เวลาพระพุทธเจ้าท่านจึงส่งเอาข้อ ข้อธรรมทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงมันลุกมาประกอบด้วยพระสัพพยนะุญญามาสอนมาบอกพวกเราได้รูปายารย์ไม่แต่หลวงตาเหมือนกันมันบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พระอริยะเจ้าท่านไม่ลืมก็หลักอริยสัจทั้งสี่นี่แหละที่จะมาใช้ตอก่อนกันกับกิบเลสนี่แหละแต่เรื่องของอย่างอื่นนั้นเรื่องของสัญญาลืมนนั้นได้ลืมนี้ได้ลืมนั้นได้แต่เรื่องของหลักอริยสัจสี่ที่ท่านเคย รบกันมาจนช่ําชองแล้วเนี่ยไม่ลืมเอ็ดขาดเพราะว่าท่านจะข้ามพ้นสิ่งทุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมาได้พวกเราให้ตั้งอกตั้งใจปรารกความเพียรให้ความสําคัญกับความเพียรให้มากหนังสือที่ผมให้พระไมเอาไปดูหนังสือป่านะหนังสือป่านี้มันเป็นข้อวัดของพระวัดป่าที่อาจารย์หมออวยท่านเขียนเอาไว้ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ลุงผูกฟันยังมีชีวิตอยู่ ท่านเขียนระเบียบข้อปฏิบัติของวัดป่าเราไปอ่านดูมีส่วนไหนตรงไหนบกพร่องบ้างไปอ่านดูเวลาพบกันเวลาเจอกันบ้องเบงบ้องแบงบองเพง <c oughs> กลับในนั้นนะท่านเขียนว่าไงในหนังสือท่านเขียนว่าไงบางทีท่านท่านก็บอกว่าเวลาพบกันเวลาเจอกันหรือเวลานั่งด้วยกันก็ตามบางองค์ท่านกำลัง พิจารณาบทธรรมของท่านอยู่อย่าคิดว่าอย่าคิดว่าท่านไม่สนใจเราอย่าคิดว่าท่านเครียดกับเราท่านเดินมาท่านกําลังพิจารณาบทธรรมของท่านอยู่ท่านไม่พูดกับเราท่านไม่คุยกับเราอย่าคิดว่าท่านรังเกียดเราไปอ่านดูนะไปอ่านดูไม่งั้นเป็นอย่างงั้นจริงๆหรือพวกเรากลัวกลัวแต่หมูนึก คิดว่ารังเกียจกันเหรือเจอหน้ากันกะเอาเลยแหละบ้องแบ้งบ้องเบงบ้องเบงคือคนที่สั้งอกตั้งใจดําริธรรมสํารวมอยู่ข้างในมันขัดจริงๆมันขัดมากขัดหูมันขัดหูขัดจิตขัดใจคําว่ามันขัดก็คือมันไม่สอดคล้องกันกับบทธรรมที่มันกําลังดํารงอยู่บทรธรรมต้องการความสงบต้องการความสงัดมีเสียงมากระทุ้งกระแทก กิริยากายมากระชงกระแทกมีกิริยาเสียงมากระชงกระแทกนี่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเราทุกคนตั้งอกตั้งใจสำรวมระมัดระวังแล้วมันจะเอากิริยาที่ไหนมาบงเบงบงุบงเบ่งไม่มีพูดคุยกันไม่กี่คำแ่ละบางอย่างไม่จาเป็นต้องพูดต้องคุยทำก็ทำไปเลยไม่จาเป็นต้องคุยคนบอกก็ตั้งใจบอกคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ฟังคำสองคำไปก็เข้าใจแล้วก็รู้แล้ว คุยบอกกันพอดีพอดีเราต้องระวังกันให้มันชินหูชินหูว่าโอ้กิริยาสำมรวมระมัดระวังนั้นมันจะไม่ใช่กิริยาแบบนี้มันจะไม่ใช่กิริยารบกวนกันอย่างนี้ <c oughs> เราให้ <c oughs> ให้ให้พเราให้พวกเราให้ความสำคัญให้มากไม่งั้นเราอยู่ด้วยกันเป็นเป็นหมูมากแล้วมันจะกระทบกระเทือนกัน แต่ถ้าหากต่างคนต่างสํารวมระมัดระวังอู้สวยงามมากหน้าเคารพหน้าเกรงขามสวยงามจริงๆมีอะไรจาเป็นจริงๆในวินัยท่านก็พูดจำเป็นจริงๆไม่ต้องใช้เสียงเอามือควักเอาจะมายกอันนี้คนเดียวยกไม่ไหวเอามือควักเอามามือชี้ใส่ใช้ภาษาใบเอานี่หมายว่ามันจำเป็นจริงๆ บางอย่างต้องพูดต้องบอกก็บอกกันพอดีพอดีบอกนิดหน่อยพอรู้เรื่องกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังคนอื่นด้วยตรงไหนก็ตามเวลาเรารวมกันตอนเช้าก็ตามเนี่ยตอนเช้าทำวัดสวดม น, นั่งภาวนาไปจนกว่าสว่างลงนั่งเดินไปตามท้องถนนจะไปจะไปคุยต่างคนต่างสํารวมไปต่อไปนี้ถ้าใครคุย ในเวลาขณะทําข้อวัดก็ตามเดินไปบินทบาทก็ถือว่าข้อวัดนะเดินกลับกลับมานั่งบนรถมาก็ถือว่าเป็นข้อวัดขึ้นบนสลานี่ก็ถือว่าเป็นข้อวัดปัดกวาดเช็ดถูก็ถือว่าเป็นข้อวัดล้างบาทก็ถือว่าเป็นข้อวัดไปขบฉันนําร้อนอมีนุ้นมีนี่มีอะไรถ้าไม่สํารวมระมัดระวัง คำพูดในเวลาเราทําข้อวัดจะถือว่าคนนั้นนขาดความสํารวงนะแสดงคนนั้นไม่ตั้งอกตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมแหละนะเราฟังแล้วอ่าจะเจอเหลาเปล่าถ้าเราไม่เราสำรวมไม่ระวังก็เราเนี่แหละให้เราเป็นกําลังใจแก่กันและกันการเป็นกาลังใจแก่กันและกันก็คือ ต่างคนตางสำรวมในเมื่อเราเห็นเขาสํารวมให้เราเกรง อ, อกเกรงใจยำเกรงอ่าเราก็ต้องสํารวมเรามาระวังบ้างเขาไม่พูดไม่คุยเราก็ไม่พูดไม่คุยก็ได้เราพูดคุยกับธรรมะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะพูดคุยว่าดังดังกล้องโลกธาตุเนี่ยว่าได้เลยกล้องในใจนะไม่ใช่ก้องออกเสียงนะอะเดี๋ยวจะโดนไล่จับอีกต้องระวังให้ดีนะ นี่เพื่อประโยชน์พุทให้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ผีเป็นข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทรรมดสวดมนต์เชา้าตอนเชา้าตอนเย็ยนใครยังไม่ได้ก็ไปท่องไปท่องให้ได้ทุกคนทธรวัดเช้าทธรวัดเย็ยนเวลาสวดเราจะไม่ต้องดูหนังสือว่าเราเคยบอกถ้ายังไม่ได้ให้เอาหนังสือมาเปิดดูจุดเทียนว่าเอาเขาว่าไปเราจะขอไม่ได้อะไรนั่งเฉยเฉยไม่ได้ไประโยชน์อะไรเขาก็มีปากเขาก็มี หูมีตามีจิตมีใจเราก็มีเหมือนกันทําไมเราไม่ได้สาเหตุที่ไม่ได้ก็รู้อยู่ทําไมถึงไม่ได้ไม่ดูไม่ท่องมันก็ไม่ได้แหละไม่ดูไม่ท่องไม่ฝึกฝนมันก็ไม่ได้ไม่ฉันทะอไม่มีฉันทะไม่มีวิทยะไม่มีจิต กิตตะคือจดจ่อเอาใจจดจ่อกับเรื่องนั้นและไม่รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมีขึ้นที่จะเรียกว่าวิมังสาถ้ามีอันนี้เป็นเครื่องประกอบสําเร็จอิทธิบาทอิทธิบาทแปลว่าสําเร็จบาทะบาทะแปลว่าทางเดินเพื่อความสําเร็จอิทธิบาทอิทธิอิทธิแปลว่าสําเร็จอิทธิบาทบาทะแปลว่าทางเดินเพื่อความสําเร็จ หฉันทะสองวิริยะสจิตตะสี่วิมังสาฉันทะคือพอใจทำความพอใจนี่แหละนี่แหละคืองานที่เราตั้งใจทําแล้วจะมีผลเกิดขึ้นมาเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความพัฒนาด้วยสติดรร้วยปัญญาภายในใจของเรามีความพอใจตั้งอกตั้งใจทําความพอใจทําได้ไหมตั้งใจทาใจํทาทวทความพอใจกับข้อวักทั้งหลายทั้งปวงทําความพอใจกับ สำรวมระมัดระวังไม่พูดไม่คุยแต่ไม่ใช่ห้ามไม่ให้คุยกันไม่ให้พูดกันในเรื่องที่จำเป็นเรื่องมีจำเป็นจริงๆก็พูดกันได้แต่ต้องระวังเสียงบงเบงบงเบ่งพูดพอประมาณไม่จาเป็นไม่พูดจิตตะจดจอ่อกับเรื่องนี้วิริยะความภาคความเพียรประกอบให้ได้ผล เพียงประคับประคองเนี่ยเพียงตั้งจิตนั่นแหละเพียงตั้งสติอคิดจดจ่อมีปัญหาอะไรเมื่อเกี่ยวข้องก็พิจารณาแก้ไขพิมังษาใช้ปัญญาพิจารณาตรีตรองแก้ไขถ้าเรามีธรรมะหนึ่งสองสามสี่ดังกล่าวนี้สําเร็จอทําอะไรก็สําเร็จมันไม่สําเร็จวันนี้ก็สําเร็จวั น, นหน้าจนได้ถ้าความพอใจอยู่อย่างนี้ ก็ทำได้อันนี้เป็นธรรมะเราอยากเป็นธรรมอาทิปไตเราต้องศึกษาธรรมะเราเราต้องฝึกฝนธรรมะเราต้องอบรมธรรมะเพื่อจะได้เข้าถึงหลักของธรรมะเพื่อความสุขเพื่อความเจริญไปบูญงอกงามโดยธรรมะมันเป็นยอดปรารถนาด้วยกันทุกๆคนทุกๆท่านนะ เอาแหละพอสมควรกันเวลาพวกนี้ก็ต้องได้ไปกรุงเทพอีเล่เนี่พวกนี้ตอนค่ำไปกรุงเทพอยู่ยยละสามคืนนี่ละโอ้ยหมอไปเอารถยี่สิบหกตอนเช้าย7 28ิบเจ็ดยี่กิบแปดยิบเจ็ดี่เเป็นวันบัวสดซะด้วยย7 28ิบเจ็ดยี่บแปดยิบเก้าเช้ายี่ิบเก้าไปฉันทบ้าคนคุณเทวราแล้วก็นั่งเครื่องกลับเที่ยงไปก็ไปเครื่อง ไปเครื่องนี่ยดีเหมือกันไปเครื่องตายก็ตายคนเดียวไปยังไงมันก็เสียงเป็นเสียงตายทั้งนั้นแหละไปรถก็เสียงเป็นเสียงตายไปเครื่องก็เสียงเป็นเสียงตายทั้งนั้นแหละหากเสียสละไ ป, ไปไปเพื่อระศาสนานะไปก็ไปช่วยอบรมเขาสองคืนสามวันเราก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งนา น, านๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วหัวเข่าเรามันไม่ถอยหลังแล้วมันไม่ตี่จะไปหน้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรวก็ประมาณกําลังของเราในนั้นมันมีศาลามันมีกุฏิที่พักเป็นเอกเทศแล้วก็พวกโยมเขาก็มีที่พักเป็นเอกเทศของเขามันมีศาลามา <c oughs> รวมกันฟังทําวัดเช้าทําวัดเย็นอบรมไปไปพูดคุยทําไมะฟังถามคนที่เข้าไปคนเก่าก็มีเยอะ คนใหม่ก็มากคนเก่าก็มากจัดทุกเดือนเดือนละครั้งละครั้งละครั้งะครั้งสบสองเดือนก็สิบสองครั้งมีต้องพระไปพูดมีต้งโยมไปพูดไปอบรมนี่ปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้ดีนะมีคุณหมอมาลาด้วยไปในในตลางเขาบอกไว้วันที่สามสามเอ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองกันยา แต่เดือนกันยาไม่มีมีต้นเดือนก็หมดลงก็เป็นสิบสองครั้งสิบสองเดือนสิบสองครั้งแต่สิงหานี่ข้าพเจเกี่ยวสามเอ็ดหนึ่งสองหมอหมอมลาไปก็ช่วยหมอสงสารหมอก็ช่วยหมอไปแล้วก็สาเหตุที่ไปในพรรษานี่ก็ เ, เพราะว่าเราเรารับปากคุณธรวมราว่าจะไปให้ทุกปีทุกปีเขาจัด วันที่สิบเก้าเนี่ยทำบุญให้สามีทุกปีทุกปีสิบเกสิงหาตั้งแต่เริ่มมาเกี่ยวข้องกันเนี่ยเริ่มสร้างวัดเราก็เลยต้องไปทุกปีทุกปีหมอไปรอกเลยมาดักเอาเราเอาเราตอนนี้เรื่องมั น, นมาดักเอาเราตอนนี้ตอ น, น, นเราลงไปเนี่มูก็อยู่ก็ดูให้เคารพกันเคารพตัวเองเคารพธรรมเคารพวิ น, นัยอะไรคือประโยชน์ตนให้ทำต้องใจทํา โยตท่านก็ตั้งใจเท่าทําตั้งใจจริงๆอย่าไปคิดว่าเรามาหลบชั่วการชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งๆแล้วเราก็ออกไปเราต้องหวังผลเราอยู่เท่านี้ทา่านี้มันจะต้องมีผลในจิตของเราผลก็คือบุญกุศลที่จะพึ่งเกิดขึ้นในหัวใจของเราเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราหมกอยู่หมกแบบหมกตัวไปวันๆใครอยู่ไม่ทําอะไรนะั่นน่ะคือหมกตัวไปวันๆ ดูให้ดีเราหมกตัวไปวันๆวันๆหรือเปล่าให้มีความตั้งใจกับข้อวัดปฏิบัติอย่าให้เอาคับนี้มาคิดเรื่อยๆเหมือนกันเราอยู่หมกตัวไปวันๆหรือเปล่าแล้วก็สร้างฉันทะวิริยะอุตสาหะทำข้อวัดปฏิบัติไปข้อวัดส่วนรวมก็ยังบกพร่องข้อวัดส่วนตัวเดินยงกรมนั่งภาวนาทําวัดส่วนมนต่กติ ว่าเราไม่ได้มาไปชุมกันทุกวันทุกวันตอนเช้าอยู่บนสลาดใครออกมาต้องมาทําทุกวันทุกวันมาให้ทันมาไม่ทันเจตนาไม่มายานี้มันเป็นระเบียบมันแกมบังคับซะหน่อยเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ให้ทำวัดเช้านะเราไม่ได้ให้ทำประจําอย่างนี้นะเพราะหมู่เยอะพอเวลามารวมกันแล้วคุยกัน อึมอมอยู่มุมนั่นอึมอมอยู่มุมนี่จับกลุ่มคุยกันนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราก็เลยให้มันทําร่วมกันอ้าวธรรมวัตปฏิบัติเท็่ถูทูอุสรรคเสร็จจัดบาร์เซียไล่เสียเรียบร้ออ่าวธรรวัดรธรวัดก็ทำเท่าที่เราทําทําำไม่มากเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาไปจนสว่างเราเก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้ตอนเช้าทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดา มันยังพอมีค็จิตคือใจติดเนื้อติดตัวให้เราไปทำที่กุติบ้างที่อะไรบ้างอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องขัดข้องมานั่งภาวนารวมกันถ้าเราเรานั่งภาวนาคนเดียวเราหงายท้องไปจังนานแล้วเรานั่งรวมกันตังหานี่เราไม่กลางง้าหงายทอ้องเพราะอะไรมองให้มองให้เห็นประโยชน์มันถึงช่วงที่อยู่กับหมูไม่ได้มันก็ไปอีกอย่างหนึ่งมาอย่างลงตาท่านเล่าฟัง ถึันไหนมันหมุนเตี้ยวเเตีย ว, ว, วอยู่กับหมูไม่ได้ถึงขั้นไหนมันก็รู้อยู่แก่ใจอย่าเอาความขี้เกียจขี้ครานมาตัดสินผมก็พยายามพูดตรงๆนะหมู่เพื่อนก็ฟังเอาประโยชน์กันแล้วกันวางอยาพูดให้ได้กําลังหูอ่อนๆคอมคอมออกฟังกันไม่รู้เรื่องอีกอยู่กันหมูมากมันก็มีภาระแบบนี้แหละรู้แต่ถึงในครัวเราคิ่าเป็นงานหนู จริงมันกลายเป็นงานช่างอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เราคิดเราสองสามวันเสร็จเดี๋ยวนี้มันถึงกี่วันแล้วยังไม่เสร็จยังเหลืออีกท่อนหนึ่งยังไเราวที่สุดว่าอีกหกวันเร็วที่สุดเราไม่ฆ่าเพราะเราไม่ได้ทําหมูเขาเป็นคนทําหมูเพื่อนกระโดดพิจารณาดีอยู่ไปวันวันมันคุ้มค่ากัาเวลากับโอกาสที่มันมีมันเอื้ออํานวยกุฏิอยู่ห่างกันอย่าไปเดินไปคุยอย่าไปเดินคุยกันเสียงว่องเวว่องเววงเว หมู่เพื่อนชอบคุยกันเสียงดังไม่คุยแถวโรงน้าร้อนคุยตามกตุติเราไม่เคยเปิดโอกาสให้หมู่ไปคุยกันตามกุตินะไปถามข่าวข่าวถามปัญหาถามอะไรกันบ้างเป็นการไปคราวก็ให้ระวังเสียงทำไมผมพูดย้ายใครพูดหมู่เราเราพูดกันได้ไหมเราพูดกันไม่ได้เหมือนหมู่ผมเหมือนลูกผมผมดู ผมดูแลผมรักษารับบูรับรพวกผมก็ต้องบอกบอกไปแล้วไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาก็เป็นเรื่องของเราอีกทีหนึ่งได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราอีกทีหนึ่งผมก็ไม่สามารถจะตามไปกระไปเกณฑ์ตามกุฏิตามกุฏังเราเป็นเพียงประปัจจัยช่วยเหลือกันเท่านั้นเรามีปัญหาแล้วเราพร้อมที่จะช่วยกัน พิจารณาไปแก้ไขไปเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านเพื่อประโยชน์ของพระศาสนาวัดว่าครูบาอาจารย์กฐินนี่ก็ต้องท่องนาคถินนี่กฐิ น, นเราดูปฏิทินแล้วก็ออกวันเสาร์ที่สามสิบตุลาวันเสาร์อาทิตย์แรกของปีไอวันเสาร์อาทิตย์แรกก็คือวันที่สามวันที่สี่ตามที่เราเคยเอา มันตาดวันเสาร์ของเราก็วันอาทิตย์นี้มันตาดวันเสาร์ของเราก็วันอาทิตย์ถ้าเราเอาตอนนี้พระใหม่ก็ได้รับได้รับกรถิ่นด้วยกันแต่ถ้าเอาไปปลายก็บางคนก็สึกก่อนแล้วมันก็เสร็จมันก็รีบเสร็จเลยหมอไปโยนรถวันนะครับก็คุยกับเราว่าทิ่วัดเขาก็จะมีกระถินเหมือนกัน เขาขอรู้นขอสุดเขตกรถินเลยเหมือนกันเราเราก็รู้ก็อยากได้พระห้าองค์เพราะอะไรวัดกําลังสร้างใหม่ถ้าไม่มีสีง่งเหล่านี้ไม่ชักชวนหมู่เพื่อนไปร่วมไปช่วยกันเพื่อเขาได้ทําบุญร่วมกันสร้างวัดมันมใช่เรื่องเล็กน้อยอี่ไหนก็สร้างคนเดียวก็ดินเดาเดาเดคนเดียวนะเราเห็นเราก็สงสาร ตั้งใจเขาตั้งใจดีมากวันนั้นก็ไปนู่นไปนี่ไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์เขายังไปได้ตามปกติตั้งๆเขามีงานมากขนาดนั้นแล้วก็ทำราชการอีกยังไม่ออกกะเขาทำได้เป็นคนขวนขวายสร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆไม่เห็นแก่ความสบายเมื่อแกดูเขาไม่เห็นแก่ความสบายเลยนะมีอะไรต่อเนอื่อง หมดจานี้ต่อนูหมดนู่นต่อนูหมดนู่นต่อนูหมดนู่นต่อนู่นเขมองเห็นประโยชน์ต่อเนื่องกันหมดทอมตัวทำตัวมากทำตัวตีหัวเหล่านะระวังให้ดีฟังให้ดีนะ่บางคนเห็นก็ทมตัวให้ในการไปทิฏฐิมนะทับถมเขาอะระวังให้ดีอ่ะเห็นก็ทมตัวให้เขาทมตัวตีหัวอยู่ของยังไม่รู้บางคน เราสังเกตดูเวลาเราไปรับประทานมีคนไปสักกี่คนห้าคนสิบคนเขาเชิญคนนั้นเชิญนี่เชิญจนพวกนั้นกินหมดพากันรับทานกันหมดเพิ่นถึงจะไปเก็บนู้นเก็บนี่มานั่งทานตามหลังเขาเชิญครับเชิญครับเชิญครับจนเขาได้รับทานกันเชิญหมดอ่ะเพิ่นถึงได้ไปหยิบนู้นหยิบนี่เหลือจากที่เขาทานแล้วน่ะ เดินถือจานเดินหยิบนิดจีบจีบนิดจีบนิดจีบนิดนี่ชันไปสบายเอาประโยชน์ไม่ไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงไปจากประโยชน์ทำประโยชน์กับมนุษย์ทำประโยชน์กับอะไรได้ประโยชน์ที่สุดทำประโยชน์กับมนุษย์นี่แหละสร้างวัดก็สร้างเพื่อมนุษย์เป็นศูนย์รวมผู้นิจ้าวรฒนประสงค์เพื่อให้มนุษย์นี่แหละ บุคคลที่เป็นตัวอย่างเราดูเราก็พอดูออกแล้วก็มายึดมาถือขโมยถือเอาขโมยแบบที่ไม่เกิดโทษขโมยแบบนี้ได้ประโยชน์ขโมยความรู้ขโมยอบายขโมยวิธีขโมยความประพฤติที่เป็นธรรมเราขโมยได้แบบนี้ขโมยทำความเพียนเนี่ยเมนุ้องตาท่านขโมยขโมยทำความเพียน เดินจนกลมไม่มีจุดตะเกียงละปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนู้นไปเดินอยู่ท้ายท้ า, ทาวัดนี่ขโมยถวามเพียรขโมอยอย่างนี้มีแต่ได้บุญอย่างเดียวไม่มีบาปในครัวมีปัญหาอะไรไหมในครัวฝนตกรั่วเป่าเขาไปเปลี่ยนรางน้ำให้ขาไม่รั่วหรอกเอาเลิก